ไปนี้เป็นนานาสารธรรมโดยอาจารย์วสินอินทศระเรื่องหมอดูหรือโหราศาสตร์กับศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โหราศาสตร์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าดวงบ้างหมอดูบ้างนั้นเป็นที่นิยมของคนไทยทุกระดับชั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ติดหมอดูเอามากๆ จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องให้หมอดูเสก่อนไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองบางคนแม้ตัดสินใจแล้วก็ต้องไปให้หมอดูอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจถ้าหมอดูทักท้วงห้ามปรามอาจลังเลเลื่อนเวลาหรือตัดสินใจลมเลิกไปเลยแปลว่าหมอดูตัดสินใจให้ การตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรด้วยเหตุผลและสติปัญญานั้นเป็นลักษณะสำคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าเชื่อหมอดูมากเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและสูญเสียการดำเนินชีวิตไปตามแนวแห่งเหตุผลไม่ใช้ปัญญาเป็นตัวนาชีวิต แต่กลับไปเชื่อมั่นเกินไปในสิ่งที่ขัดกับเหตุผลและสติปัญญาทำให้การพัฒนาชีวิตในด้านในเป็นไปไม่ได้หรือช้ามากอันที่จริงมนุษย์เรามีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาตนถ้าไม่มัวสารวณยุ่งเหยิงอยู่กับเรื่องไร้าสาระและความเชื่องมงายอันคอยฉุดดึงตนเองให้ตกตำ่ำด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์ มีศักยาภาพในการที่จะพัฒนาได้จึงได้มีมนุษยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนามนุษย์ให้ขึ้นสู่ระดับสูงหรือให้เจริญงอกงามตามวิถีทางของตนในการนี้จะต้องมีเทคนิควิธีการในการฝึกฝนอบรมอันเหมาะสมเหมือนมเมล็ดพืชมีศักยาภาพในการที่จะเจริญงอกงามถ้านาลงแปลงเพาะกระถางหรือในเลือดินอันดี และได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เหมือนก้อนหินซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตถ้าคนมีลักษณะเหมือนก้อนหินก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมแต่ประการใดมนุษย์เราได้พัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีไปมากกว่าจริงแต่ในด้านจิตใจแล้วเรายังอยู่ในขั้นอนุบาล มีมนุษย์เพียงจำนวนน้อยไม่ถึงหนึ่งเอร์เซนตามความเห็นของผู้เขียนที่ก้าวถึงขั้นอุดมศึกษาในด้านจิตใจมนุษย์ยังมีจิตใจที่อ่อนแอวานไหวต่ออารมณ์ต่างๆไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้แต่ถูกกิเลสครอบงําได้ไง่ายๆกิเลส จ, จึงเอาความรู้นั้นไปใช้เสียหมดความรู้กลายเป็นท่ารับใช้ของกิเลสตัณหาของความโลภ ความทนงตนความเห่อเหิมทะเยอทะยามความยะโสโอหังเพราะเกียรติยศและชื่อเสียงไม่เป็นเครื่องมือรับใช้คุณธรรมสังคมเราจึงหาคนมีความรู้ได้ง่ายแต่หาคนมีทั้งความรู้และคุณธรรมได้ยากการเชื่อโชคลางการวางอนาคตลงให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินเป็นส่วนหนึ่งแห่งความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษย์ ดวงดีย่อมสู้การทำดีทำถูกไม่ได้ถ้าหมอดูว่าดวงท่านไม่ดีก็ขอให้ท่านทำดีให้มากขึ้นถ้าท่านดวงดีแต่ท่านทำชั่วดวงดีไม่อาจทานกระแสแห่งกรรมชั่วได้ถ้าดวงท่านไม่ดีแต่ท่านทำแต่ความดีดวงไม่ดีนั้นก็ไม่อาจทานแรงของกรรมดีได้เหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์ได้ทดสอบความจริงเรื่องนี้ตลอดมา และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกไว้แล้วว่าไม่มีแรงใดเสมอด้ยวยแรงกรรมดังบาลีว่านัตทิกรรมะสมังพลังเรื่องวัตถุมงคลจากการบรรยายธรรมอบรมพระธรรมทูตสายที่เจ็ดวันที่16กุมภาพันธ์2537หน้าตึกสภาการศึกษามหามกุฏ ร, ราชวิทยาลายัยวัดบรวรนิเวศกทม เรื่องที่พระเดชพระคุณกำหนดให้พูดวันนี้ผมก็หนักใจคือเรื่องวัตถุมงคลไม่ทราบว่าจะพูดในแง่ไหนดีจะสนับสนุนดีหรือจะขัดแย้งดีพูดที่ไหนก็จะมีความเห็นเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนก็มีฝ่ายที่ขัดแย้งก็มีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ขอทำความเข้าใจกันเสียก่อนคือกระผมจะขอพูดในหลักการก่อนสาหรับภาคปฏิบัติของคณะสง หรือพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติอย่างไรจะทำกันอย่างไรน้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งแต่ขอกราบเรียนในเรื่องหลักการของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรกระผมลองเปิดพจนานุกรมไทยของราชบดีจักรสถานปี2525 25, ไม่มีคาว่าวัตถุมงคลแสดงว่าวัตถุมงคลไม่มีในพจนานุกรม เป็นคำที่มีขึ้นมาใหม่เราใช้เรียกกันเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เรียกอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นเครื่องรางของขลังเมื่อเปิดไปถึงคำว่าวัตถุในพจนานุกรมจะมีคำว่าวัตถุนิยมหมายถึงนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจบางทีเรียกสสารนิยมก็มีภาษาของปรัชญาวัตถุวิสัยหมายถึงเป็นจริงในตัวเอง ใครจะคิดยังไงไม่สําคัญสิ่งนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นเช่นไฟมีสภาพร้อนใครคิดว่ามันเย็นเอามือไปแตะเข้าก็ร้อนน้ําแข็งมันมีสภาพเย็นใครคิดว่ามันร้อนเอามือไปสัมผัสเข้าก็เย็นอันนี้เรียกว่าสภาพที่เป็นวัตถุวิสัยเป็นจริงในตัวมันเองไม่ขึ้นกับความคิดของผู้อื่น อันนี้เข้ากันกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นวัตถุวิสัยเหมือนกันใครจะคิดว่าบาปหรือไม่บาปใครจะคิดว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมก็แล้วแต่เขาจะคิดผิดหรือคิดถูกตัวกรรมกฎแห่งกรรมก็ยังคงเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเป็นวัตถุวิสัยคือดําเนินการให้ผลไปตามกฎของตนคําว่าวัตถุดิบท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่า ของที่เราเก็บเก็บมารวมกันเพื่อจะทำอะไรสักอย่างท่านจะเขียนหนังสือก็เก็บรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆมาเป็นวัตถุดิบจะทำตะกร้าก็มีวัตถุดิบที่จะทำอันนี้มีแต่ไม่มีคำว่าวัตถุมงคลทีนี้เปิดไปหาคำว่าเครื่องรางท่านบอกว่าของที่นับถือป้องกันอันตรายยิงไม่ออกฟันไม่เข้าเช่นตะกรุดผ้ายันเหล็กไหล ท่านให้คําไว้อย่างนี้เลยนึกถึงหลวงพ่อเงินท่านให้ของพวกนี้เหมือนกันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกที่ไหนเข้าฟันกันก็อย่าออกไปใครเข้ายิงกันก็อย่าเข้าไปจะปลอดภัยคราวนี้เปิดดูในพระไตรปิฎกเล่ม 9. ก้าศีลขันธวักที่ว่าด้วยมหาศีลมีจุลศีลมัชชิมศีลมหาศีลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพรหมชารสูตร พอไปถึงตรงมหาศีลก็มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับให้เว้นไม่ให้ทำเครื่องรางของขลังไม่ทำอะไรต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำเรื่องเสกเรื่องเป่าอยู่ในมหาศีลทั้งนั้นกระผมไม่ได้นามาอ่านถวายนิมนต์ท่านไปอ่านเองการทำเครื่องรางของขลังหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าวัตถุมงคล น, นี่เชื่อมโยงกับสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทำไมถึงว่าไปเชื่อมโยงกับสยศาสตร์และโหราศาสตร์เพราะว่าเวลาที่จะทำเครื่องรางของขลังผมทราบว่าเขาต้องดูเริกยามดูเวลานาทีการดูเลิกยามดูเวลานาทีนี่เป็นโหราศาสตร์เมื่อทำแล้วก็ต้องให้ขลังทําไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำทำไมเพราะที่ทำส่วนมากก็มุ่งไปทางนั้นทางนั้นที่จะทำเพื่อเอาไปเป็นที่เราลึกจเจริญพระพุทธคุณ ถ้าอย่างนั้นพระองค์ที่เข้าบูชาอยู่ก็มีแล้วส่วนมากมุ่งไปทางหลังทางศักดิ์สิทธิ์ทั้งมุ่งไปทางขลังศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสยศาสตร์ตกลงว่าในการทําวัตถุมงคลต้องโยงไปถึงโหราศาสตร์และสยศาสตร์ด้วยรวมกันแต่ใช้สวดพุทธมนต์พุทธมนต์ที่สวด น, นั้นก็ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้จิตสงบหรือเพื่อให้ความรู้ความหมาย รู้แต่ว่าเพื่อให้เกิดความขลังเอาพุทธมนลไปใช้ในแนวสยศาสตร์ที่กระผมพูดในหลักการวิเคราะห์ในหลักการในหลักวิชาศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้สยศาสตร์ก็ดีโหราศาสตร์ก็ดีพุทธศาสนาปฏิเสธถ้าดูตามหลักพุทธศาสนาตามหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในที่ต่างๆแล้วสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทั้งโหราศาสตร์และสายศาสตร์อย่างที่ว่าประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจเวลาเช้าเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาไหนประพฤติสุจริตกายวาจาใจเวลานั้นเป็นเลกดียามดีขณะดีไม่มีเลิกยามเป็นอันว่าปฏิเสธเรื่องเลกยามเอาสุจริตเป็นที่ตั้งเป็นการปฏิเสธเรื่องโหราศาสตร์ ผู้ที่เลื่อมสายในโหราศาสตร์จะดึงเรื่องราวในพระวินัยตอนหนึ่งเข้าไปโยงเข้าไปเพื่อสนับสนุนโหราศาสตร์โดยบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระเรียนโหราศาสตร์ได้เล่าว่าคราวหนึ่งภิกษุอยู่ในป่ามีพวกโจรมาถามเริกยามแล้วพระไม่รู้พวกโจรก็ตีเอาว่าเป็นพระได้อย่างไรไม่รู้เริกยามอันนี้มีในพระวินัยจริง แต่เป็นการตีความผิดโดยเนื้อความแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าภิกษุผู้อยู่ในป่าควรเรียนนักขัตบตบทในบาลีใช้คำว่านักขัตบตบทนักขัตตปธานิอค เ, เหตับพาณิสกลานิเอกเทสานิวาจากพระไตรปิฎกเล่มเจ็ข้อ429คำว่านักขัตบตบทไม่ได้หมายถึงเลิกยาม แต่หมายเพียงวันเดือนปีเท่านั้นให้ภิกษุรู้วันเดือนปีเมื่อเขาถามว่าวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรก็ให้รู้ไม่ใช่เป็นเลิกดียามดีอะไรคำว่านักขัตตปธานีอคเหตตพานีพึงเรียนนักขัตตบทแต่ผู้ที่เลื่อมสายโหราศาสตร์ก็โยงเข้าไปหาโหราศาสตร์ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เรียนโหราศาสตร์โดยอันนี้ ความจริงที่โจรมาถามไม่ได้ถามวันเดือนปีอย่างเดียวถามเรื่องน้ำใช้พระก็ไม่มีถามเรื่องอาหารที่จะกินพระบอกไม่มีถามเรื่องไม้สีฟันพระบอกไม่มีถามเรื่องน้ำอาบพระบอกไม่มีถามเรื่องทิศว่าจะไปทางทิศไหนพระบอกไม่รู้ถามวันเดือนปีก็ไม่รู้โจรคิดว่าพวกนี้ไม่ใช่พระแท้เป็นพระปลอม ไม่รู้อะไรสักอย่างก็เลยตีเอาความทราบถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงอนุญาตอารันยิกวัดวัดสำหรับภิกษุผู้อยู่ป่าควรจะทำอย่างไรมีรายละเอียดอันนี้พระคุณเจ้าไปดูที่อารันยิกวัดว่าพระภิกษุที่อยู่ป่าควรทำอะไรบ้างมีเยอะไม่ใช่เรื่องเดียวตั้งต้นตั้งแต่ว่าเช้าขึ้นมาตื่นแต่เช้าให้ทาอะไร ไปบินทบาทกลับมาทำอย่างไรบอกไว้หมดในวินยัยเพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสโหราศาสตร์ก็โยงตรงนี้ไปกระผมขอกราบเรียนว่าเป็นการโยงที่ไม่ถูกต้องโยงเข้าหาศาสตร์ของตัวเท่านั้นมีตอนหนึ่งที่ตามธรรมดาของโหราศาสตร์จะเชื่อเรื่องอื่นว่าชีวิตคนเราถูกลิขิตมาแล้วจะเป็นอย่างไรก็ลิขิตมาแล้วถูกกาหนดมาแล้ว อันนี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธในพระไตยปิฎกอังคุตระนิกายพระพุทธเจ้าปฏิเสธไว้ว่าปุเพกะตะเหตุวาธะวาธาที่ว่าบุคคลจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสุดแล้วแต่สิ่งที่เคยทำมาก่อนได้ลิขิตมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นดีชั่วไม่ใช่เพราะกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นเพราะกรรมใหม่เพราะคุณเจ้าดูจากสีก็ได้ ที่เป็นเหตุให้ถึงความเจริญเป็นเหตุในปัจจุบันสามข้อเหตุในอดีตคือปุเพกตะปุญญาตาหนึ่งข้อเหตุในปัจจุบันสำคัญกว่าอัตตะสมมาปณิทิปฏิรูประเทสวาสะสะปุริสสปัสยะแล้วมาถึงปุเพกตะปุญญาตาในอัรถกถาเล่าว่ามีบุตรชายเศรษฐีบุตรสาวเศรษฐีสองตระกูลมาแต่งงานกัน มีรับแปดสิบโกฎโดยร่องรอยในอดีตโชควาสนาจะเป็นพระอราหันต์หรือพระนาคามีและพัญญาเป็นต่ํากว่าชั้นหนึ่งถ้าออกบวชในปฐมอวัยสามีจะได้เป็นพระอราหันต์พัญญาจะได้เป็นพระนาคามีถ้าออกบวชในมัชชิมอวัยสามีจะได้เป็นพระนาคามีพัญญาจะได้เป็นพระสกทาคามี ถ้าบวชในปัตฉิมวยัยสามีจะได้สกทาคามีภัญญาจะได้เป็นโสดาบันแต่เขาไม่เอาเรื่องเส้นในปัจจุบันไปเมาเหล้าไปคบนักเลียงสุราเลยเสียหมดเสียทั้งโลกียสมบัติและโลกุตระสมบัติเห็นไหมครับชะตาชีวิตดูเหมือนว่าจะได้อย่างนั้นแต่เสร็จแล้วไม่ได้ทําอะไรไมันก็เสื่อมหมดเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จะทํานายอย่างไร ชีวิตคนไม่ได้เป็นของตายตัวชีวิตคนมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำดีชีวิตคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำชั่วชีวิตก็ตกต่ำเรื่อยๆทดสอบได้ครับเราทายว่าคนนี้ดวงดีจังเลยต่อๆไปข้างหน้าจะดีอย่างนี้อย่างนี้ลองทำชั่วทำชั่วไปบ่อยๆเรื่อยๆมันก็ดีไม่ได้ โหราศาสตร์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เหมือนพุทธศาสตร์ไม่เหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงของแท้ยิ่งไสยศาสตร์นะั้นยิ่งเป็นไปให้ลุ่มหลงมัวเมาเป็นศาสตร์ของคนหลับไม่ใช่ของคนตื่นพุทธศาสตร์เป็นของคนตื่นยิ่งคลุกคลีมากยิ่งยุ่งมากยิ่งสนใจมากก็หลับก็หลงไปเรื่อยๆ เราผมกล่าวแวะไปเรื่องนี้ก็จากที่ได้โยงว่าเรื่องวัตถุมงคลโยงกันอยู่กับไสยศาสตร์บ้างกับโหราศาสตร์บ้างถ้าทําเพื่อขลังเพื่อศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไสยศาสตร์แล้วก็ต้องดูเลิกดูยามดูนาทีในการทําก็เป็นโหราศาสตร์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้พุทธศาสนาโดยเนื้อแท้โดยหลักแท้ แ, ทแล้วปฏิเสธสิ่งนี้ มีหลักฐานมีพุทธภาษิตเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลเสียอีกอันหนึ่งในการวอบตัวไว้กับความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลคือทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองเป็นการขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมว่าอย่างหนึ่งแต่ผู้ที่ไปเชื่อถือวัตถุมงคลไปว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็แปลกที่คนที่ถือเครื่องรางของขลัง บางทีไปรถความแล้วบอกไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขามีพระดีสํานักนั้นก็ดังไปเลยโฆษณาดังไปเลยถ้าใครไปรถความตายพระสํานักเดียวกันนั่นแหละไม่มีใครพูดอะไรพูดว่าเป็นกรรมของเราพระช่วยไม่ได้คือเวลาประสบภัยพิบัติโทษกรรมของตัวเองแต่เวลาประสบผลดีประโยชน์ให้กับวัตถุมงคลประยกความดีให้กับวัตถุมงคล ไม่เราเลือกถึงกุศลกรรมในทางที่ถูกเขาควรเราลืกถึงอนุภาพแห่งกุศลกรรมจะได้มีจิตมุ่งมั่นประกอบกุศลกรรมต่อไปว่านีรอดมาพระบุญแท้จะประกอบคุณงามความดีต่อไปลองนึกดูว่าความคิดสองอย่างนี้อย่างไหนดีกว่าเพราะว่าในไหนเวลาสูญเสียเรานึกถึงธรรแล้วเวลาได้ดีไม่สูญเสียพ้นภัยพิบัติ ทำไมไม่นึกถึงกรรมไม่นึกถึงกุศลกรรมให้เสมอกันให้ความเป็นธรรมแก่การทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีทีน่นี้เราไม่ให้ความเป็นธรรมแก่กรรมพอสูญเสียไปลงโทษอากุศลกรรมพอไม่สูญเสียพอปลอดภยัยไปให้อะไรอย่างหนึ่งที่ยึดถืออยู่เช่นวัตถุมงคลกระผมคิดว่าความคิดนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่กฎแห่งกรรม ถ้าเขาสูญเสียขาหักตาบอดเขาก็ต้องโทษอันนั้นด้วยว่าทาไมรักษาเขาไม่ได้แต่เขาไม่ได้โทษอันนี้ขอฝากเป็นแง่คิดด้วยถ้าไปเชื่อมัน่นไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นมากบางทีก็ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยตัวเองได้ยิ่งคนที่ไปเชื่อโหราศาสตร์มากแล้วหมอดูจะให้ทาอะไรไม่ให้ทาอะไร จะไปซื้อที่ซื้อบ้านแทนที่จะใช้สติปัญญาของตัวทั้งที่มีเงินอยู่แล้วไม่เอาต้องไปถามหมอดูก่อนบอกว่าอย่าซื้อเลยก็ไม่ซื้อเสียโอกาสที่ดีไปเขาบอกให้ซื้อก็อซื้อบางทีไปซื้อผิดแล้วตรงไหนที่เราใช้สติปัญญาของตัวเองพระคุณเจ้าที่เคารพชาวพุทธเรามีข้อบกพร่องที่สำคัญอยู่อันหนึ่งคือ ย, ยังอ่อนแออยู่มาก ยังต้องการที่พึ่งข้างนอกอีกมากมายที่เป็นมงคลตื่นข่าวทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนั้นต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวต้องเชื่อกรรมไม่เชื่อรรมงคลแต่มันเกิดกลับตรงกันข้ามถือมงคลตื่นข่าวมากกว่าถือกรรมเชื่อมงคลภายนอกมากกว่าเชื่อกรรมน่าเสียดายที่พระคุณเจ้าประกาศศาสนาประกาศหลักธรรม ประกาศกฎแห่งกรรมสอนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ไม่รู้ใครไปสอนเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วคนก็ไปเชื่อเรื่องทางนวนสมักเหมือนกับเราพยายามหาข้าวพันธุ์ดีไปหว่านลงในนาไม่รู้ว่าใครมาแอบหว่านอะไรลงไปในนาผืนเดียวกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมาแทรกต้นข้าวแทรกลงไปแทรกลงไป จนในที่สุดต้นข้าวเหลือนิดเดียวก็เลยได้ผลน้อยเรื่องผู้ที่ถือวัตถุมงคลมักจะเน้นเรื่องอยู่สองสามเรื่องคือ 1. ชาวบ้านต้องการต้องตามใจชาวบ้าน 2. ให้ถือไปก่อนต่อไปค่อยให้ของดีๆทีหลัง 3. เป็นอุบายที่จะชักจูงคนเข้าศาสนา